ปาจิตติยการทั้งหลายทำคือปาจิตติ92สิขาบทเหล่านี้มาถึงวาระที่จะยกขึ้นแสดงเป็นข้อๆตามลำดับ 1. มุสาวาทว่าหมวดว่าด้วยการกล่าวเทศห 1. มุสาวาทสิขาบทว่าด้วยการกล่าวเท็จเรื่องพระหัตถะการภากพยมุตนึสมัยนั้นพระผูม้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวัน อารามของอนาถาบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระหัตถกะสกัจยบุตรเป็นนักโตวาทะเมื่อท่านเจรจากับพวกเดรธีปฏิเสธแล้วรับรับแล้วปฏิเสธเอาเรื่องหนึ่งมากล่าวกบเกลื่อนอีกเรื่องหนึ่งกล่าวเทศทั้งที่รู้นัดหมายแล้วทําให้พลาดเพลอนพวกเดรธีจึงพากันประหนิกพระนามโพรท น, นาว่าฉนัยพระหัตถกะสกัจยบุตรเมื่อเจรจากับพวกเราจึงปฏิเสธแล้วรับรับแล้ว ปฏิเสธเอาเรื่องหนึ่งมากล่าวผก เ, เรื่องหนึ่งกล่าวเทศทั้งที่รู้นัดหมายแล้วทําให้พลาดเพื่อนเล่าพวกผูสื่ได้ยินพวกเดรัจฉีตำหน้ประนามโปรธนาจึงเข้าไปหาพระหัตถกาัตรกยบุตรถึงที่อยู่รั้นถึงแล้วได้กล่าวกับพระหัตถกษัตริยบุตรดังนี้ว่าท่านหัตถกษัได้ทราบว่าเมื่อท่านเจรจากับพวกเดรัีปฏิเสธแล้วรับรับแล้วปฏิเสธ เรื่องหนึ่งมาเปลา่าตกเกินเพื่องหนึ่งเปล่าเทพทั้งที่รู้นัดหมายแล้วทําให้พลาดเกลื่อนจริงหรพระหัตถะสกพยบุตรตอบว่าเราต้องเอาชนะพวกเดรัจฉ์เหล่านั้นด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งพวกเราไม่ควรให้ใชัยชนะแก่พวกเดรัจฉ์เหล่านั้นบรรดาภิกษุผู้มากน้อยพากันตำหนิประนามพลพนาว่า ในพระองตะ ก, กะสักยบุตรเมื่อเจรจากับพวกเดรธีจึงปฏิเสธแล้วรับรับแล้วปฏิเสธเอาเรื่องหนึ่งมาก่า